มาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้มีความรู้ความสามารถยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหลายที่มีคำสอนซึ่งเปรียบเหมือนกับแสงสว่างนำทางพาชีวิต ของผู้ที่ได้ยินได้ฟังไปสู่ที่สุขที่เจริญพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะนำมาฝากท่านในวันนี้ก็คือรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงคำว่ารถแห่งธรรมนี้ก็หมายความว่า ความสุขแห่งธรรมนี่เองความสุขแห่งธรรมชนะความสุขทั้งปวงความสุขทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้เราเรียกว่าความสุขทางโลกความสุขทางโลกนี้ก็มีอยู่สี่ชนิดด้วยกันคือหนึ่งลาบ สองยศสามสรรเสริญสีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลธภะต่างๆนี่คือความสุขทางโลกที่พวกเราที่ยังไม่เข้าถึงความสุขทางธรรมจะหากัน แต่เป็นความสุขที่ด้อยกว่าความสุขทางธรรมความสุขทางธรรมนี้เหนือกว่าความสุขทางโลกเพราะเป็นความสุขที่มั่นคงเป็นความสุขที่ยั่งยืนเป็นความสุขที่ถาวรส่วนความสุขทางโลกความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นความสุขที่ไม่มั่นคงไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เพราะธรรมชาติของราบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นของที่ไม่แน่นอนบางทีก็เกิดบางทีก็ดับ บางทีก็จเจริญบางทีก็เสื่อมแล้วเครื่องมือที่ใช้ในการหาความสุขทางโลกก็ไม่มั่นคงเหมือนกันเครื่องมือนี้ก็คือร่างกายของพวกเราพวกเราต้องใช้ร่างกายมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเราถึงจะสามารถ ไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ถ้าเวลาใดร่างกายมีอันเป็นไปเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการหรือแก่หรือตายการจะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ก็จะเป็นไปไม่ได้พอไม่ได้ความสุขจากลาบยศสรเสริญความเศร้าความเสียอกเสียใจก็จะเข้ามาปกคลุมจิตใจทำให้จิตใจเศร้าหมองมีความทุกข์นี่คือความสุขทางโลก ความสุขจากลาบยศสนละเสริญที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาที่เกิดการเสื่อมเวลาเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมสรนละเสริญเสื่อมความสุขความทุกข์ก็จะเข้ามาแต่ความสุขทางธรรมนี้เป็นความสุขที่ ไม่เสื่อมเหมือนกับความสุขทางโลกเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขความสุขทางธรรมนี้ใช้จิตใจเป็นเครื่องมือหาความสุขจิตใจนี้ดีกว่าร่างกายเพราะจิตใจไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตาย ความสุขที่จิตใจหาได้จากธรรมจากการปฏิบัติธรรมจะเป็นความสุขที่อยู่กับใจไปเรื่อยๆและสามารถให้ความสุขกับใจได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรหรือไม่ร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ จเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะตายหรือไม่ตายความสุขทางใจความสุขทางธรรมนี้ก็ยังจะอยู่ต่อไปให้ความสุขกับใจของผู้ปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลานี่แหละคือลดแห่งธรรมที่ชนะลถทางปวงหมายถึงความสุข ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมจะทำให้ได้ความสุขที่มั่นคงที่แน่นอนที่ถาวรที่อยู่ที่จะให้ความสุขกับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดความสุขทางโลกนี้มีวันสิ้นสุดเมื่อร่างกายแก่เจ็บหรือตายความสุขทางโลก คือความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะต้องสิ้นสุดลงไปพอสิ้นสุดลงไปใจก็จะต้องดิ้นไปหาความสุขทางโลกใหม่ใจก็ต้องดิ้นไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกาย มาหาความสุขทางโลกใหม่ใจก็ต้องไปมีร่างกายไปเกิดใหม่นั่นเองพอไปเกิดใหม่ก็ต้องมาดิ้นรนหาความสุขแบบที่คอยหาแล้วก็ต้องเศร้าสศขเสียใจเวลาที่สูญเสียความสุขที่ได้มาไปนี่ไม่ใช่เป็นการหาความสุข เป็นการหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวพอทุกครั้งที่มาเกิดจะต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากการเสื่อมของลาบยศศรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสปุจเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายของร่างกาย แล้วก็ไม่ได้เป็นไม่มีไม่มีจุดจบไม่มีวันสิ้นสุดต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดเพื่อมาหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนสดแล้วก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียลาบยศสรรเสริญเสียความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆไป ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะนี่คือธรรมชาติของความสุขทางโลกถ้ายังหาความสุขทางโลกอยู่ก็จะต้องกลับมาหาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องกลับมาทุกข์กับการสูญเสียความสุขทางโลกไปแต่ถ้า ไ, ไปหาความสุขทางธรรม ความสุขทางธรรมนี้จะทำให้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือความสุขทางธรรมนี้ใช้ใจเป็นเครื่องมือและพอใจได้ความสุขอย่างสมบูรณ์ความสุขเต็มร้อยแล้วใจก็หยุดหาความสุขได้ไม่ต้องไปหาความสุข ทางโลกอีกต่อไปไม่ต้องไปมีร่างกายไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่แหละคือวิธีการหาความสุขของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของพวกเราเมื่อก่อนท่านก็เป็นเหมือนพวกเราตอนที่ท่านยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า ท่านก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินมีความสุขแบบลูกของพระเจ้าแผ่นดินคือมีลาบยศสรรเสริญมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑในระดับของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งพวกเราก็คงจะนึกภาพออกว่า พระเจ้าแผ่นดินท่านอยู่อย่างไรท่านกินอย่างไรเจ้าชายสิทธัตถะก็อยู่แบบนั้นพระราชบิดาของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะสร้างปราสาทสามฤดูให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ให้เปลี่ยนสถานที่ตามฤดูกาลฤดูฝนก็ไปอยู่ที่หนึ่งฤดูร้อนก็ไปอยู่ที่หนึ่ง ฤดูหนาวก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งที่ที่ให้ความสุขที่ที่ <c oughs> ตัดปัญหาที่เกิดจากรดูเช่นถ้าเกิดฤดูร้อนก็ไปอยู่ที่ที่มีอากาศเย็นถ้าเกิดมีฤดูฝนก็ไปอยู่ที่ไม่มีฝน ถ้าเป็นอากาศฤ ด, ดูหนาวก็ไปอยู่ที่ที่ไม่มีอากาศหนาวนะนี่นีเป็นการหาความสุขของเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารมีความสุขจากลาบยศสรรเสริญมีเงินมีทองที่จะซื้อข้าวของอะไรต่างๆมาเสพมาสัมผัสมียศมีตำแหน่งสูง มีคนกราบไหว้นับถือเคารพมีคนคอยยกย่องสรรเสริญเยินยอมีรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆให้เสพอยากดูอะไรอยากจะฟังอะไรอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรสามารถหามาได้ตลอดเวลาแต่ความสุขเหล่านี้กับ ไม่ได้ทำให้จิตใจของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเกิดความอิ่มเกิดความพอเลยเสกมากมากน้อยเพียงไรก็ยังต้องเสกอยู่เรื่อยๆและอยากจะหาสิ่งแปลกใหม่ๆที่ไม่เคยเสอ จ, จึงทำให้อยากจะออกไปนอกพระราชวังเพราะว่าพระราชบิดา ไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะออกไปนอกวังออกไปดูชีวิตของนอกวังเพราะว่าชีวิตของนอกวังนี้เป็นชีวิตตามความเป็นจริงส่วนชีวิตในวังนี้เป็นชีวิตที่จัดฉากขึ้นมาให้เจ้าชายสิทธัตถะหลงละเลงกับความสุขทางโลกนั่นเองทําไมถึง ห้ามไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะออกไปนอกวังเพราะพระราชบิดาไม่อยากจะให้เจ้าชายสิทธัตถะไปเห็นความจริงของชีวิตเพราะกลัวว่าถ้าเห็นแล้วจะทำให้ไม่อยากที่จะอยู่เป็นลูกเป็นกษัตริย์ต่อไปอยากจะไปบวชนั่นเองเพราะว่า ตอนที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะประสูติออกมาใหม่ๆพระราชบิดาเห็นความแปลกพิเศษของเจ้าชายสิทธัตถะคือออกมาก็เดินได้เจ็ดก้าวแล้วก็มีราศีที่เป่งปังก็เลยอยากจะรู้อนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะว่าจะเป็นอย่างไร ก็เลยไปเชิญพวกโหราจาร์หมอดูมาดูชะตาชีวิตของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะโหราจาร์หลายทั้งหลายก็มีความเห็นตรงกันว่ามีทางไปอยู่สองทางอนาคตของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะถ้าอยู่ครองราชก็จะได้เป็นพระมหาจักพรที่ยิ่งใหญ่ ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรงได้ยินอย่างนั้นพระราชบิดากก็กลัวว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะออกบวชจะไม่ได้เป็นมหาจากักรพรรดิจึงพยายามห้อมล้อมเจ้าชายสิทธัตถะด้วยความสุขทางโลก เพื่อให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นหลงติดอยู่กับความสุขทางโลกเพื่อที่จะได้ไม่อยากที่จะออกไปบวชนั่นเองและส่งห้ามไม่ให้ผู้ที่จะเข้าไปในวังนั้นเป็นคนแก่คนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนตายเพราะไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นความทุกข์ ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายต่อไปเพื่อที่จะได้ให้เจ้าชายสิทธัตถะนี้หลงระเริงอยู่กับการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสจะได้ขึ้นคองลาชและได้เป็นพระมาหาจา ก, กรพัดต่อไปนั่นเองแต่เนื่องจากการหาความสุขจาก รูปเสียงเกลิ่นรสจากลาบยศสรรเสริญนี้มันเป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอกับจิตใจต่อให้ได้เสพมากน้อยเท่าไหร่ใจก็ยังหิวโหยอยากจะได้สิ่งแปลกแปกใหม่อยู่เรื่อยเมื่อเมื่อรู้ว่าข้างนอกยังมีสิ่งแปลกแปกอยู่ที่ยังไม่ได้เคยได้เห็นได้สัมผัสก็อยากจะมีความ ความปรารถนาที่จะออกไปสัมผัสถึงแม้ว่าพระราชบิดาจะห้ามไม่ให้ออกไปแต่ความอยากนี้อยากรู้อยากเห็นมันห้ามจิตใจไม่ได้ก็เลยหนีออกไปเที่ยวนอกวังในวันหนึ่งไปสองคนไปกับมหาเล็กเพื่อจะได้เล็ดลอดออกไปได้ง่าย ถ้า ไ, ไปหลายๆคนเดี๋ยวจะไปไม่ได้พอได้ออกไปเดินเที่ยวนอกวังก็เห็นชีวิตความเป็นจริงของของโลกว่าเป็นอย่างไรเดินไปสักระยะหนึ่งก็เห็นคนชราเดินมาเดินคนแก่หลังค่อมเดินมาถือไม้เท้าก็โผกกระเพกก็ถามว่าคนนี้เป็นอะไร เพราะไม่เคยเห็นคนแก่มาก่อนตั้งแต่เกิดมาป่าเล็กก็บอกว่าก็เป็นคนที่อยู่มานานแล้วร่างกายพออยู่ไปนานๆานร่างกายที่เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะกลายเป็นคนแก่แบบนี้แม้แต่ร่างกายของพระ อ, องค์เองก็จะต้องเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะ พอทรงได้ยินว่าต่อไปร่างกายของพระองค์เขาจะต้องกลายเป็นคนแก่คนชราก็เกิดความตกใจขึ้นมาไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าตนเองจะต้องเป็นแบบนั้นก็เลยทำให้มีความรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็อยากจะรู้อยากเห็นก็เดินต่อไปเดินเที่ยวต่อไป เดินไปเสล้ยะหนึ่งก็เห็นมีคนนอนอยู่บนเตียงหน้าบ้านอยู่บนแค่หน้าบ้านร้องโอดควรครางด้วยความเจ็บปวดทรมานก็ถามมหาเล็กว่าคนนี้เ้าเป็นอะไรหรือ อ, อ๋อคนนี้เขาก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บนะซึ่งเป็นเรื่องของร่างกายของทุกคน ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาสร้างความเจ็บปวดสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ร่างกายอย่างชายคนนี้ร่างกายของพระองค์ก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันต่อไปพอได้รู้ว่าต่อไปร่างกายของพระองค์ก็จะต้องเจ็บไข้ได้ปวด่วยจะต้องทุกข์ทรมานก็ยิ่งเกิดความหวาดกลัวขึ้นมา ไม่เคยคาดฝันมาก่อนเพราะอยู่กับร่างกายที่แข็งแรงตลอดเวลาไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยพอมาเจอมาเห็นคนที่ร้องโอดควรครางด้วยความเจ็บปวดด้วยความทุกทรมานก็เลยเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเป็นครั้งที่สองแต่ก็ส่งเดินเที่ยวต่อไปพอเดินไปสักระยะนึงก็เห็นมีคนแบก คนตายขบวนแห่ศพเพื่อที่จะนำอาไปเผาก็ถามว่าเขาทำอะไรทำไมต้องแบบคนนั้นก็ได้คำตอบว่าคนนั้นเป็นคนตายเมื่อก่อนเขาก็เป็นคนเป็นเหมือนพระองค์นี่แหละแต่พออยู่ไปนานๆเขาาร่างกายก็จะต้องถึงวาละสุดท้ายของมัน มันก็จะต้องตายพอตายก็ต้องเอาไปทําชาปนากิจเอาไปเผาเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็จะส่งกลิ่นเหม็นมันก็จะเน่าเฟะไม่น่าดูก็เลยต้องมีการทําพิธีชาปนากิจกันพอทรงทราบ ว, ว่าต่อไปร่างกายของพระองค์ก็จะต้องตาย ก็เลยทําให้ยิ่งเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจเพิ่มขึ้นมาอย่างมากก็เลยอยากจ ะ, ะเด็ดกลับเข้าวังระหว่างเดินทางกลับเข้าวังก็ไปเห็นนัก บ, บวชว่นก็ถามว่าชายคนนี้เขาเป็นอะไรออก็ได้คําตอบว่าเขาเป็นนัก บ, บวชเขาเป็นผู้ที่แสวงหาการที่จะ ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเขาต้องการแสวงหาวิธีที่จะทำให้เขาไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายพอได้ยินว่ามีคนรู้หรือกำลังหาวิธีสู้กับความแก่ความเจ็บความตาย รังับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ก็เลยทำให้พระองค์ทรงมีกำลังใจมีความรู้สึกดีใจขึ้นมาว่าอาจจะมีวิธีทำให้พระองค์ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายได้หลังจากนั้นชีวิตที่เคยหลงไหลอยู่กับการหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสก็เปลี่ยนไป เคยมีความสุขมีความยินดีกับรู้สึกเฉยๆพอรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายจะไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสารเสร์ญจากรูปเสียงกลิ่นรสได้อีกต่อไปใจก็เลยมีความปรารถนาที่อยากจะออกบวช เพื่อที่จะได้มาแก้ปัญหาคือความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแก้ปัญหาของการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็เลยพยายามหาวิธีหรือรอโอกาสให้ได้ออกบวชจนถึงวันที่พระมเหสีได้คลอดและพระราชาลด พอทราบข่าวก็ทรงอุทานว่าราหุลราหุลแปลว่าบ่วงความหมายคือมีบ่วงที่จะมารัดจิตใจของพระ อ, องค์ไม่ให้ออกบวชถ้าอยู่ต่อไปเพราะความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกนี้เป็นความผูกพันที่แข็งแรง พรองทรงรู้ว่าทัดอยู่ต่อไปก็จะไม่สามารถไปบวชได้ก็เลยต้องตัดสินใจหนีออกจากวังไปในคืนนั้นเพื่อที่จะได้ไปศึกษาวิธีที่จะทำให้เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไม่ต้องทุกข์กับมัน เราศึกษาวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับม า, มาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปอก็เลยต้องหนีออกจากวังไปในคืนนั้นโดยไม่บอกใครแล้วก็มุ่งไปหาพวกนักบวชไปศึกษาจากพวกนักบวชต่างๆเพื่อที่จะหาวิธีที่จะทำให้จิตใจไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ก็ได้ศึกษาวิธีที่สามารถที่จะทำให้จิตใจไม่ทุกข์ได้แต่เป็นความไม่ทุกข์แบบชั่วคราวคือวิธีการทำใจให้สงบด้วยการเข้าสมาธิเวลาจิตนิ่งสงบเข้าสมาธิจิตก็จะเลืมเรื่องของร่างกายไป ร่างกายจะแก่จะเจ็บหรือจะตายก็จะไม่รู้สึกเดือดตอนแต่เนื่องจากการเข้าสมาธินี้ยังไม่สามารถเข้าได้ตลอดเวลาเข้าได้เป็นพักๆเข้าสมาธิได้อยู่สักระยะหนึ่งก็ต้องถอนออกมาเพราะยังมีภารกิจเลี้ยงดูร่างกายอยู่นั่นเอง ร่างกายต้องขับถ่ายร่างกายต้องรับประทานอาหารร่างกายต้องมีการชำระทำความสะอาดอะไรต่างๆจึงไม่สามารถให้จิตใจอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาอยู่ได้สักระยะหนึ่งพอร่างกายต้องการการดูแลจิตใจก็ต้องออกมาจากสมาธิเพื่อมาดูแลร่างกายพอออกมาจาก สมาธิพอมารับรู้เรื่องของร่างกายรับรู้เรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายความไม่สบายใจก็ปรากฏขึ้นมาใหม่ก็พยายามที่จะหาวิธีว่าทําอย่างไรที่จะทําให้จิตใจนี้ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายเวลาที่ออกจากสมาธิมา ไปศึกษาไปถามจากครูบาอาจารย์รูปต่างๆก็ไม่มีใครรู้รู้เพียงว่าถ้าเวลาใดที่ทุกข์กับร่างกายก็ให้เข้าไปในสมาธิทำใจให้สงบใจสงบแล้วจะเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่จะสามารถทำให้ความทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่มารบกวนใจได้ แต่อยู่ได้เป็นพักๆเวลาออกมาก็จะต้องมาเจอกับความทุกข์ทางร่างกายไม่มีใครรู้วิธีว่าทำอย่างไรไม่ให้ใจต้องมาทุกขกับร่างกายเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็เลยต้องท่งค้นคว้าทดลองหาด้วยพระองค์เองจนในที่สุดพระองค์ก็ท่งค้นพบสาเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิความทุกข์ที่เหตุที่ทำให้ใจทุกข์กับร่างกายก็เพราะมีอยู่สามประการด้วยกันคือความอยากใช้ร่างกายเสพรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองการจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้นี้ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายที่สมบูรณ์เช่นตาหูจมูกลิ้นกายของคนหนุ่มคนสาวเนี่ย พวาอมที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้อย่างเต็มที่แต่พอร่างกายเริ่มเสื่อมลงตาหูจมูกลิ้นกายเริ่มเสื่อมลงความสามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะลดน้อยถอยลงไปใจจึงไม่อยากให้ร่างกายเสื่อมไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายความ ความไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรนี้แหละทำให้ใจทุกข์ไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายที่ทำให้ใจทุกข์แต่ความอยากไม่ให้ร่างกายเป็นอะไรนี้ต่างหากเพราะว่าเวลาที่ใจเข้าในสมาธิเวลานั้นความอยากเกี่ยวกับร่างกายก็หายไปชั่วคราวความทุกข์เกี่ยวกับร่างกายก็หายไปชั่วคราว แต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเห็นร่างกายพอมานึกถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายนั่นเองแต่ถ้าใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูความจริงของร่างกายแล้วก็เห็นว่า ร่างกายนี้จะอยากหรือไม่อยากมันก็ต้องแก่ตามเวลาของมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายไปตามเวลาของมันเพราะนี่เป็นความจริงหรือเป็นธรรมชาติของร่างกายที่ไม่มีใครไปเปลี่ยนไปอับยังได้ถ้าไปอยากให้มาร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะต้องผิดหวงังก็จะต้องเสีย อ, อกเสียใจจะทุกข์ทรมานใจ แต่ถ้ามองแล้วยอมรับความจริงของร่างกายได้พิจารณาเห็นว่ายังทํายังไงก็ทําให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้แต่ถ้ายอมรับความแกร่รับความเจ็บรับความตายได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่เกิดขึ้นมาและการที่จะเลิก ไม่เลิกความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็ต้องเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนั่นเองเลิกใช้ตาหูจมกูกรินกายหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้หาความสุขจากการทาใจให้สงบแทนนะเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ไดจาก ร่างกายจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนไม่มั่นคงไม่ถาวรแต่ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้มั่นคงกว่าแน่นอนกว่าสามารถหาได้ทุกเวลาที่ต้องการไม่ว่าร่างกายจะแก่ไม่แก่จะเจ็บไม่เจ็บจะตายไม่ตายความสุขทางใจนี้ก็ยังสามารถเกิดขึ้นมาได้ ถ้ารู้จักวิธีทำใจให้สงบเท่านั้น น, นี่แหละคือการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าตรงตัดสู้เห็นว่าความทุกข์ของใจของพวกเรานี้เกิดจากการที่เรามีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายแต่ร่างกายเป็นของที่ไม่จีรังถาวร เป็นของที่จะต้องเสื่อมจะต้องหมดจะต้องตายจะต้องแก่จะต้องเจ็บนั่นเองถ้ายังหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่เวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ของมันได้ใจก็จะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขผ่านทางร่างกายมาหาความสุข ทางใจโดยตรงจะทำให้ไม่ต้องกังวลกับเรื่องของร่างกายถ้ารู้จากวิธีหาความสุขทางใจแล้วก็จะสามารถหาได้ตลอดเวลาเพราะความสุขทางใจนี้ไม่ต้องอาศัยลาบยศสรรเสริญไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับใจ สิ่งที่จะทําให้ใจมีความสุขมีความสงบนี่คือการควบคุมใจให้สงบนั่นเองและสิ่งที่จะมาควบคุมใจให้สงบได้ก็มีอยู่สามประการด้วยกันคือหนึ่งศีลสองสมาธิสาปัญญานี่ถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถที่จะ ควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงขึ้นมาได้ถ้าใครอยากจะมีความสุขได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็ต้องมาสร้างศีล ส, สมาธิปัญญาที่เป็นเหมือนเครื่องมือที่จะสร้างความสุขทางใจต่อไป ถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาใจก็จะตั้งอยู่ในความสงบได้ตลอดเวลาสงบแบบท้าวร ส, บบสงบแบบไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือทางที่จะพาให้จิตใจหลุดออกจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดหลุดออกจากกองทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตาย พอเมื่อใจสามารถหาความสุขจากจากการทำใจให้สงบได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเมื่อไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรไปก็จะไม่เดือดร้อนจะทำใจจะปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามเรื่องของมันได้ ร่างกายจะแก่ TA ก็ให้มันแก่ได้มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเพราะใจไม่ต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปถ้าเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแต่ถ้ายังต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ใจก็ยังจะต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ของร่างกายไปเรื่อยๆและหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก็จะไปพึ่งร่างกายอันใหม่อีกไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือหาความสุขต่อไปก็จะต้องไปเกิดไปแกไปเจ็บไปตายอยู่เรื่อยๆตราบใดถ้ายังต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นรสจากลาบยจสรรเสริญอยู่แต่ถ้าได้มาพบกับคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระอริยสงสารกหรือคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกถ้าได้ศึกษาจากแหล่งเหล่านี้ เราก็จะได้เรียนรู้วิธีหาความสุขแบบใหม่หาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้าเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เราก็จะได้ความสุขแบบใหม่เป็นความสุขที่ปลอดภัยจากความทุกข์เพราะไม่ต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข ดังนั้นสิ่งที่สําคัญสําหรับพวกเราก็คือเบื้องต้นเราต้องมาพบกับคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระอริยสงสาวกหรือพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเราต้องเข้าหาแหล่งความรู้เหล่านี้เพื่อที่เราจะได้รู้ วิธีหาความสุขแบบใหม่ว่าหาอย่างไรเพื่อที่เราจะได้มาแก้ปัญหาที่พวกเรามีกันอยู่ทุกคนในขณะนี้คือความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ไปความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเราจะแก้ปัญหานี้ได้ถ้าเราได้พบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ พราะพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี้รู้วิธีแก้ปัญหาของพวกเรานั่นเองรู้ว่าการหาความสุขของพวกเรนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกเป็นวิธีที่จะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาเพราะเครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขคือร่างกายมันก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่ สามารถที่จะหาความสุขให้กับเราได้ตลอดเวลาพอเวลาใดที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เวลานั้นเราก็จะต้องเจอความทุกข์กันแล้วเพียงแต่คิดถึงเวลานั้นทั้งๆ ท, ที่มันยังไม่เกิดมันก็ทำให้เราไม่สบายใจแล้วทุกครั้งเวลาที่เราคิดถึงความแก่ของร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายความตายของร่างกาย ใจเราก็ไม่สบายแล้วทั้งๆ ท, ที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์เสียด้วยซ้ำไปแล้วคิดดูเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมามันจะทำให้ใจทุกข์ขนาดไหนแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านบอกว่าเลิกเลิกหาความสุขแบบนี้เถิดอย่าใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญอยากรูปเสียงเกินดนดเลยเพราะมันเป็นการหาความทุกข์ เพราะความสุขที่หาได้มันเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนและไม่ถาวรไม่จีรังได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันหมดไปเวลามันหมดความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ความสุขที่หมดไปนั่นเองแต่ถ้ามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขใหม่เครื่องมือที่เราหาก็เป็นเครื่องมือที่จะอยู่กับเราที่เราจะใช้ได้ตลอดเวลา คือใจนี่แหละเป็นเครื่องมือที่จะหาความสุขให้กับใจและธรรมะที่เอามาใช้ก็เป็นธรรมะที่ใจผลิตขึ้นมาเองได้ไม่ต้องไปซื้อจากภายนอกศีล ส, สมาธิปัญญานี่เราไปซื้อไม่ได้ไม่มีขายตามร้านต่างๆศีล ส, สมาธิปัญญานี้ใจของพวกเราเป็นผู้ผลิตขึ้นมาได้ถ้าเรารู้วิธีผลิตเราก็สามารถผลิต ศีลขึ้นมาผลิตสมาธิขึ้นมาผลิตปัญญาขึ้นมาพอใจเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วใจของเราก็จะตั้งอยู่ในความสงบได้เมื่อใจตั้งอยู่ในความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพราะเป็นความสุขที่มั่นคงเป็นความสุขที่แน่นอน เป็นความสุขที่ติดไปกับใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายแล้วใจของเราก็จะแยกออกจากร่างกายแล้วความสุขทางใจก็ติดไปกับใจแต่ความสุขทางร่างกายนี้เอาไปกับใจไม่ได้พอร่างกายตายไปความสุขของมหาเศรษฐีก็เอาติดไปไม่ได้ความสุขของพระเจ้าแผ่นดินก็เอาติดไปไม่ได้ แต่วความสุขที่ได้จากศีลสมาธิปัญญานี้สามารถเอาติดไปกับใจได้ทำให้ใจไม่ต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไปทำให้ใจอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลานี่แหละคือความสุขทางใจที่พระพุทธเจ้าสงสัยว่าเป็นรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงที่พวกเราทุกคนนี้สามารถ ผลิตขึ้นมาสร้างขึ้นมาได้เราต้องเป็นผู้ผลิตเองสร้างขึ้นมาเองใจแต่ละดวงนี้จะต้องผลิตศีลสมาธิปัญญาของตนขึ้นมาเองเพื่อที่จะได้ทําให้จิตใจตั้งอยู่ในความสงบเพื่อให้จิตใจผลิตแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวดังนั้นสิ่งที่พวกเราต้องทําถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาคือความ ทุกใจของพวกเราที่ทุกข์กับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายที่ทุกข์กับความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญความสุขทางรูปเสียงกิจดลเราต้องมาสร้างศีลสมาธิปัญญากันเพื่อที่เราจะได้สร้างความสุขทางใจขึ้นมา เพื่อที่เราจะได้เลิกหาความสุขทางร่างกายทางาสลาบยศเส ร, ริญทางรูปเสียงกลิ่นรสนี่เองพอเรามีความสุขทางใจแล้วเราก็เลิกหาความสุขทางร่างกายได้เลิกหาความสุขจากาาสลาบยศเส ร, ริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความเสื่อมของลาบยศเสริญไม่ทุกข์กับความเสื่อมของร่างกายอีกต่อไป นี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบแล้วได้ทรงทําสําเร็จแล้วมีความมั่นใจร้อยอร์เซนว่าถ้าสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาในใจแล้วจะสร้างความสุขชนิดใหม่ให้กับใจจะทําให้ใจไม่ต้องกลับไปหาความสุขแบบเก่าที่จะทําให้ใจทุกข์อีกต่อไปแล้วก็นําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับ ผู้ที่สนใจผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถได้สิ่งที่พระเจ้าได้ส่งได้คือได้รถแห่งธรรมที่ชนะรถทางปวงเป็นเป็นพระอาหารหันตาสาวกขึ้นมาพระอาหารหันตาสาวกท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญเหมือนพวกเราที่มีความทุกข์ เกี่ยวกับเรื่องราบยศสรเสริญมีความทุกข์เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่พอได้ศึกษาได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าแล้วนาเอาไปปฏิบัติไปสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาในใจใจก็สามารถมีความสุขอีกแบบหนึ่งได้ความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ราบยศสรเสริญไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ท่านก็เลยสามารถที่จะทาให้ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายสามารถหยุดความอยากที่จะพาให้กลับมาเวียนว่ายตา ย, ตายเกิดอีกต่อไปได้แล้วท่านก็เป็นผู้ที่มารับประกันคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคําสอนที่เป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการหลอกลวงผู้ใด ปฏิบัติตามได้แล้วจะได้สิ่งที่ทรงรับประกันว่าจะได้คือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยเราก็มีเนี่ยพระอราลันตสาวกผู้ที่นําเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้านี้มาถ่ายทอดให้ กับผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่ไม่รู้พอได้เรียนแล้วก็ได้ปฏิบัติก็ได้รู้เหมือนกันก็นำทาหน้าที่ถ่ายทอดความ ร, รู้นี้มาอย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัยมาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเรานี้ถือว่าโชคดีที่ความรู้นี้ยังไม่ได้สูญหายไปจากโลกนี้ความรู้นี้พระพุทธเจ้าได้ทรงทานายว่า คงจะอยู่ในโลกนี้ได้ไปไม่เกิน 5,000 ปีหลังจาก 5,000 ปีแล้วจะไม่มีใครรู้เรื่องของวิธีหาความสุขแบบใหม่นี้แต่ตอนนี้พวกเรายังอยู่เพียงกึ่งหนึ่งเลยมาครึ่งหนึ่งครึ่งทางคือ 2,563 ปี ความรู้นี้มือศาสนาพุทธนี้จะอยู่เป็นที่พึ่งของโลกได้อีกสองพัน ก, กว่าร้อยปีพอหลังจากนั้นแล้วก็จะไม่มีใครรู้ต่อไปเพราะว่าคนที่จะมาสนใจมาศึกษามาเรียนรู้วิธีหาความสุขแบบใหม่นี้ก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆพอมีน้อยลงไปคนที่จะเรียนก็เรียนน้อยลงไป ต่อไปก็จะไม่มีใครเรียนรู้เรื่องของความสุขแบบใหม่นี้กันแต่ตอนนี้ยังมีการเรียนรู้อยู่มีคนรู้คนสอนมากมายเรามีวัดวาอารามในประเทศเป็นเป็นพันเป็นหมื่นวัดแทบทุกวัดก็สอนวิธีหาความสุขแบบใหม่นี้ทั้งนั้นให้เรามารักษาศีลให้เรามานั่งสมาธิให้เรามาฟังเทศฟังธรรม เพื่อให้เกิดปัญญากันตอนนี้เรายังมีโอกาสยังไม่สายเกินไปที่เราจะสามารถสร้างศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี้ถือว่ายังไม่สายเกินไปจะสายเกินไปก็ตอนที่เราตายไปแล้วเท่านั้นพอร่างกายนี้ไม่มีลมหายใจแล้ว เราก็จะไม่สามารถมาเรียนรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาได้ไม่สามารถที่จะสร้างศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นภายในใจได้แต่ถ้าตราบใดเรายังมีลมหายใจอยู่ไม่ว่าเราจะแก่หรือไม่แก่ก็ตามจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามเรายังสามารถที่จะสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาได้เนี่ย พระพุทธเจ้าไปโปรดพระราชบิดาเจ็ดวันก่อนตายให้สร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาในใจก็สามารถสร้างได้เพียงในระยะเวลาไม่กี่วันหลังจากที่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ให้ทำใจให้สงบให้สร้างปัญญาคือให้เห็นว่าสิ่งต่างๆ ที่ทรงมีอยู่นั้นเป็นของชั่วคราวอย่าไปยึดอย่าไปติดให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางร่างกายให้ปล่อยวางราชสมบัติราบยศเจริญเสริญไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลมันไม่ใช่ของเราปล่อยมันไปพอสอนด้านั้นพระราชบิดาก็สามารถทําใจให้สงบได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ทุกข์กับ ทุกสิ่งทุกอย่างได้ใจก็บรรลุได้บรรลุถึงความสุขที่แท้จริงที่ถาวรบรรุถึงรสแห่งธรรมที่ชนะรสแห่งธรรมได้ดังนั้นท่านทั้งหลายท่านไม่ต้องกังวลว่าท่านมาสายเกินไปถ้าตาบใดถ้าท่านได้เข้าถึงคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจแล้วว่าจะต้องทาอะไรบ้างคือ เข้าใจแล้วว่าต้องสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาตอนนี้ท่านมีลมหายใจอยู่แม้ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพใดท่านสามารถที่จะสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาได้เนีอย่าไปคิดว่าตอนป่วยแล้วรักษาศีลไม่ได้ตอนป่วยเนี่ยเป็นเวลาที่รักษาศีลง่ายที่สุดเพราะร่างกายไม่สามารถไปทำอะไรได้นั่นเองต้องนอนอยู่เฉย นอนอยู่เฉยศีลก็บริสุทธิ์ใช่ไหมไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์เไม่เจ็บกายไม่ร่วมหลับนอนกับใครศีลที่จะต้องมีในการทําใจให้สงบนี้ต้องเป็นศีลขั้นสูงคือศีลขั้นศีลแปดขึ้นไปคนเจ็บไข้ได้ป่วยนี้รักษาศีลแปดได้สบายเพราะว่าจะไปเที่ยวก็ไปเที่ย ว, ไ, ยวไม่ได้จะไปกินอาหารเย็นก็กินไม่ได้กินมื้อเดียวก็แทบจะลําบากแล้ว คนป่วยไม่ต้องกลัวว่ารักษาศีลไม่ได้คนแก่ไม่ต้องกลัวรักษาศีลไม่ได้คนหนุ่มคนสาวนี้น่ากลัวมากกว่าเพราะคนหนุ่มคนสาวมีกำลังวังชามากกว่าสามารถเอาร่างกายไปทำผิดศีลได้มากกว่าแต่คนแก่คนเจ็บนี้ไม่มีกำลังวังชาที่จะเอาร่างกายไปทำผิดศีลได้ ก็เลยถูกบังคับให้มีศีลโดยอัตโนมัติขึ้นมาเพราะว่าต้องนอนอยู่บนเตียงอย่างนี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปทำผิดศีลข้อไหนบ้างอ่ะจะไปแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูสวยงามก็ไปไม่ได้จะให้ดูให้ร้องลําทำเพลงดูหนังฟังเพลงก็ไม่อยากจะดูเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้น เะนนคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนะี่ยอยากไปคิดว่ารักษาศีลไม่ได้เป็นคนที่รักษาศีลได้ง่ายกว่าคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวคนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยรักษาศีลยากกว่า ก็มีอะไรมาคอยยั่วยวนกวนใจมาล่อใจให้ไปทําผิดศีลอยู่เลยเดี๋ยวเห็นคนนั้นคนนี้ถูก อ, อกถูกใจเดี๋ยวก็คิดนอกใจสามีนอกใจภรรยาขึ้นมาได้หรืออยู่ใกล้ภรรยาหรือสามีก็อยากจะไปร่วมหลับนอนกับภรรยาหรือสามีขึ้นมาได้คนที่จะต้องการสร้างความสงบทางใจนี้ต้องเลิกหาความสุขทางร่างกายโดยเด็ดขาดต้องเลิกเสพกามเลิก ไม่เสพไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนถึงถึงแม้จะเป็นสามีหรือภรรยาก็ไม่ให้ร่วมหลับนอนกันเอาเวลาร่วมหลับนอนกันมาสร้างสมาธิสร้างปัญญาเพราะถ้าไปร่วมหลับนอนกันก็จะไม่มีเวลามาสร้างสมาธิสร้างปัญญานั่นเองพระพุทธเจ้าถึงต้องสอนให้สร้างศีลแปดขึ้นมาก่อนให้เราหยุดการหาความสุขผ่านทางร่างกายก่อนเพื่อที่เราจะได้เอาร่างกายมาฝึก สมาธิกันมาสร้างสติก่อนเพราะสตินี้เป็นตัวที่จะทําให้ใจสงบเป็นสมาธิได้ถ้าไม่มีสติใจก็จะไม่มีวันสงบไม่มีวันนิ่งสตินี้เป็นเหมือนเบรกรถยนต์เวลาที่เราต้องการหยุดรถยนต์เราต้องเหยียบเบรคกันฮถ้ารถไม่มีเบรกรถก็จะไม่หยุดเหยียบไปแล้วไม่มีเบรกมันก็วิ่งต่อไปถึงสีย่าไฟแดงมันก็จะไม่หยุด ฉันใดใจถ้าไม่มีสติพอนั่งสมาธิให้มันหยุดคิดมันก็ไม่หยุดคิดนั่งสมาธิมันก็คิดต่อไปคิดไปคิดไปไม่มีวันหยุดเมื่อไม่หยุดมันก็ไม่สงบพอไม่สงบก็นั่งต่อไปไม่ไหวก็เลิกนั่งก็เลยไม่ได้สมาธิขึ้นมา แต่ถ้ารู้ว่าใจไม่มีสติเหมือนรู้ว่าถ้ารถยนต์ไม่มีเบรกก็ต้องเอารถเข้าอู่เนี่ยรีบไปติดเบรกให้ช่ช่างก็ตรวจดูว่าทําไมเหยียบเหยียบเบรกแล้วรถไม่หยุดเนี่ยช่างก็บอกว่าเบรกเสียต้องเปลี่ยนเบรกใหม่ะก็เปลี่ยนฉันใดเราสั่งให้ใจหยุดคิดมันไม่หยุดคิดก็แสดงว่าเราไม่มีสติ พระพุทธเจ้าบอกว่าก็ต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็ต้องใช้กรรมฐานใช้อารมณ์ที่จะหยุดความคิดได้เช่นใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือใช้บทสวดมนต์บทสวดมนต์อิติปิโสร้อยจบเนี่ยสวดไปถ้ามันคิดมากๆให้สวดอิติปิโสไปร้อยจบดูสวดไปแล้วความคิดต่างๆมันจะหายไปหมด ใจก็จะว่างพอนั่งสมาธิก็ใช้พุทโธหรือใช้ดูลมหายใจแทนก็ได้เดี๋ยวเดียวใจก็จะนิ่งสงบเกิดความสุขขึ้นมาได้นี่คือขั้นตอนขั้นที่สองหลังจากที่เรารักษาศีลแปดได้แล้วเราก็ต้องมาฝึกสติมาเจริญสมาธิกันนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้นิ่งให้รวม ให้รวมเป็นหนึ่งศัก์แต่ว่ารู้ให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เรียกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพอเราได้ความสุขจากสมาธิแล้วเราก็จะได้เลิกหาความสุขจากทางร่างกายได้ โดยที่ไม่ต้องถือศีลก็ได้ศีลหรือไม่มีศีลก็ไม่เป็นไม่มีความจำเป็นแล้วถ้าใจเรามีความสุขจากความสงบแล้วใจเราก็จะไม่อยากไปหาความสุขจากทางร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องไม่ต้องบังคับมันไม่ต้องห้ามมันแต่เวลาออกจากสมาธิมานี้ความสงบก็จะจางหายไปความอยากที่จะไปหาความสุขทางร่างกาย ที่ยังไม่ได้ตายจากสมาธิก็จะออกมาสแสดงได้พอเกิดความอยากจะใช้ความสุขผ่านทางร่างกายเราก็ต้องใช้ปัญญาขั้นที่สามนี้มาหยุดความอยากเอาปัญญาคือความจริงมาสอนใจว่าถ้าไปหาความสุขทางร่างกายก็จะต้องทุกขกับร่างกายต่อไปร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะต้องทุกข์ แล้วก็เวลาสูญเสียราบยศเสริญสูญเสียสิ่งที่ให้ความสุขกัเราไปใจก็จะต้องทุกข์อีกอยากจะกลับไปทุกข์อีกหรือไม่ถ้าอยากจะกลับไปทุกข์อีกก็ไปแต่ถ้าไม่อยากจะกลับไปทุกข์อีกก็อย่าไปให้อยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับขับเข้าไปในสมาธิแทนดีกว่าถ้าอยากจะมีความสุขก็กลับเข้าไปในสมาธิแทน เปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบใหม่ใช้ปัญญาคอยแก้ความอยากไปทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาต่อไปความอยากมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาอีกต่อไปเวลาออกจากสมาธิใจก็จะสงบต่อไปไดเออ้เพราะไม่มีความอยากมาทำให้ใจไม่สงบต่อไปก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพราะใจจะสงบตลอดเวลาตราบใดถ้าไม่มีความอยากปรากฏขึ้นมาในใจ ถ้ามีความอยากก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจว่าการไปหาความสุขทางร่างกายจะพาให้ต้องไปเจอความทุกข์ทางร่างกายต่อไปถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์ร่างกายก็เลิกหาความสุขทางร่างกายนี่คือปัญญาสอนให้รู้ว่าการหาความสุขผ่านทางร่างกายเป็นการไปหาความทุกข์ถ้าอยากจะหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์ต้องหาความสุขจากการ เข้า ส, ja. สมาธิทำใจให้สงบ icas. ให้หยุดความอยากเลิกความอยากต่อไปความอยากก็จะหายไปหมดหายไปหมดแล้วก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความหิวความอยากความทุกข์ให้กับใจก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขทางร่างกายต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายแก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บก็ไม่เดือดร้อนร่างกายตายก็ไม่เดือดร้อน และหลังจากที่ร่างกายตายไปก็จะไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ไม่จะไม่กลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปจะไม่มีการแก่การเจ็บการตายแบบไม่มีวันสิ้นสุดอีกต่อไปนี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกทั้งหลายท่านแก้ด้วยการแสวงหาลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งตัวคือหาความสงบของใจนี้เอง ด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญาผู้ใดก็ตามถ้าต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์ของทางร่างกายพ้นจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายจำเป็นจะต้องหาลดแห่งธรรมที่ชนะลดทางปวงคือลดของความสงบลดของความสงบจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการเจริญศีลสมาธิ ป, ปัญญานั่นเอง นี่แหละคือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเรื่องราวของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ขอเอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอยะถาวาเวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิทิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพโปรเณตุสังกปาจันโทปนะอาราโสยะธามณีโชติอาราโสยะธาสัพพิตโยวิวัชานตุ สัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตารายสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมาวาทาติอายุวโนสุขังภาลั ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคําถามใครมีคําถามอะไรขอเชิญถามคําถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวพอหลังจากเลิกแล้วก็จะไม่สะดวกที่จะตอบเพราะมีเรื่องอย่างอื่นต้องทําอีกเฉั้นใครอยากจะถามอะไรขอ เ, อเชิญเชิญถามได้ในช่วงเฉพาะช่วงนี้ช่วงเดียวถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ ใครอยากจะอ่าวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไรครับนมาสการเจ้าค่ะวันนี้ Facebook มีสามรอยหกสิบแปดท่านค่ะ y o u t u สอง8้อยแปดสิบสี่ท่านวิทยุออนไลน์ยี่สิบเอดท่านผู้รับฟังบนเขามีหนึ่งร้อยแปดสิบอ็ดท่านค่ะรวมเป็นทั้งหมดแปดรอยห้าสิบสี่ท่านเจ้าค่ ะ, ะใครอยากจะถามยกมือขึ้นมานะั้นจะส่งไ a i l ไปให้ ถ้ายังไม่มีก็เอาคำถามจากทางบ้านก็ไดนะมีคำถามบนเขาฝากถามนะเจ้าค่ะเวลาเรานั่งสมาธิได้ประมาณยี่สิบนาทีได้เห็นดวงอาทิตย์มาดวงใหญ่เต็มหน้าเห็นอย่างนี้คืออะไรคะเราก็เพิ่งไปเรื่องมองไปมองมาก็เป็นใส คลายแก้วอยู่ตรงกลางดวงอาทิตย์เลื่อนไปเลื่อนมาอยู่นานไม่ควรไปมองนันควรอยู่กับพุทธโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกของนี้เป็นของแถม mm hmm. เป็นของปลอมเป็นของที่ไม่มีประโยชน์กับจิตใจสิ่งที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิก็คือความสงบความว่างความสบายใจ ถ้ายังมีอะไรให้เห็นอยู่แสดงว่าเรายังไม่สงบเฉะั้นเราต้องอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจต่อไปอย่าไปสนใจกับอะไรที่มาปรากฏให้รับรู้รับเห็นเพราะจะทําให้เราหลงทางจะทําให้เราไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ดีไปกลับไปได้สิ่งที่ไม่ดีที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราต่อไป พอถ้าเราไปติดมันเดี๋ยวทุกครั้งที่นั่งก็อยากจะให้มันมาเวลามันไม่มาก็เสียใจผิดหวังฉังนั้นอย่าไปสนใจไม่ว่าะจะเกิดขึ้นในขณะที่เกิดขึ้นมาในใจให้เรารับรู้อย่าไปสนใจให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเราบริกรรมพุทโธก็พุทโธพุทโธต่อไป ถ้าเราดูลมหายใจก็ดูลมต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะได้ของดีกว่านี้ของวิเศษคือได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรังสุ ข, ขังจะเกิดถ้าเราไม่ไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏในขณะที่เรานั่งสมาธิให้สนใจอยู่กับการดูลมหรืออยู่กับการพุทธโธบริกรรมพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวก็ได้จิตก็จะ ดิ๋ยจิตก็จะวุบลงไปแล้วก็เน่งสงบแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาเอาตรงนั้นคำถามจากบนเขานะคะหากยังฝึกสมาธิได้ไปไม่ถึงอัปปนาสมาธิสามารถเดินปัญญาในขณะสมาธิอื่นหรือเดินปัญญาก่อนถึงอัปปนาได้ไหมคะ ก็ได้แต่ไม่ต้องไม่ให้เดินในขณะที่อยู่ในนั่งสมาธิเวลาทำสมาธินี้ไม่ให้คิดทางปัญญาให้พุโทโธแล้วดูลมแต่เวลาออกจากสมาไม่ได้นั่งสมาธิแล้วจะไม่พุโทโธไม่ดูลมมาคิดทางปัญญาก็ได้แต่ยังเป็นการเหมือนกับเป็นการทำการบ้านอยู่เป็นการเรียนปัญญาไปก่อน แต่ยังไม่ได้เป็นปัญญาที่เอามาใช้ในการฆ่ากิเลสได้แต่ก็ต้องสร้างมันขึ้นมาก่อนซ้อมคันไว้ก่อนคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายไปเรื่อยๆคิดว่าร่างกายต่อไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องปล่อยวางร่างกายเป้าหมายคือปล่อยวางร่างกายคิดอยู่ถ้ายังปล่อยไม่ได้ก็เพราะว่าสมาธิยังมีกาลังไม่พอ ถ้าสมาธิมีกำลังพอก็จะปล่อยได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้คำถามต่อไปนะคะหัวหน้างานเป็นคนเจ้าอารมณ์และไม่มีเหตุผลไม่ฟังข้อจำกัดในการทำงานจะเอาแต่ผลงานขอพระอาจารย์แนะนำว่าจะทำงานกับเขาอย่างมีความสุขได้อย่างไรครับ ก็อย่าไปสนใจเขาเลยเขาเป็นเจ้านายเขาสั่งให้เราทำอะไรเราก็ทำตามคำสั่งไปเรามองที่เงินเดือนที่เราจะได้รับก็พอแล้ว เ, เดี๋ยวสิ้นเดือนกูก็ได้รับเงินแล้วงั้นอย่าไปมีปัญหาอะไรกับเจ้านายเจ้านายเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเขาจะบ้าหรือไม่บ้าก็เรื่องของเข า, เ, าเมื่อเขาสั่งให้เราทำงานถ้ามันเป็นคำสั่งที่ถูกต้อง นะเราก็ต้องทาตามไปเท่านั้นเองแล้วนะเราก็จะไม่มีความวุ่นวายใจไปกับเขาคำถามบนเขานะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณแม่ท่านสงสัยว่าเราสามารถวางรูปสามีที่เสียชีวิตไปแล้วคู่กับรูปเราซึ่งเป็นมันดา ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ลูกๆ ก, กราบไหว้บูชาและระลึกถึงได้ใหม่คะรูปของสามีที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นแต่ไม่ได้เป็นพ่อของลูกใช่ไหมนี่ยังไงคุณแม่ท่านสงสัยว่าเราสามารถวางรูปสามีที่เสียชีวิตไปแล้วคู่กับสามีของใคร ในนี้บอกว่าคู่กับรูปเราซึ่งเป็นมันดาหมายถึงน่าจะรูปคุณแม่เจ้าค่ะรูปคุณแม่กับแล้วสามีก็เป็นคุณพ่อใช่ไมที่<ม>ยังมีชีวิตอยู่โอ้ยไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคำถามนี้งงลองลองอธิบายให้เข้าใจหน่อยนะให้คนที่จะถามมาขึ้นมาถามให้คนถามเนะนี่ยคนที่จะถามะคะ่ะเดี๋ยวเชิญขึ้นมาถามได้นะคะที่อยู่บนเขา ไม่เข้าใจความหมายว่าใครเป็นใครพูดถึงใครไม่รู้มีคำถามจากเฟซบุกนะคะจากคุณเพชรน้ำหนึ่งขอโอกาสครับถ้าเรามีความคิดที่แตกต่างในการปฏิบัติธรรมะแต่ตรงตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แต่ขัดกับคนส่วนมากเราควรพิจารณาตนหรือพิจารณาบุคคลอื่นครับ เรารู้ได่ไงว่าเราตรงกับพระพุทธเจ้าคนอื่นไม่ตรงเราไม่คิดบ้างหรอว่าเราอาจจะไม่ตรงและคนอื่นส่วนใหญ่เขาตรงก็ต้องไปเปิดตาราดูถึงจะรู้ว่าใครตรงและใครไม่ตรงแต่ถ้าอยู่ดีๆมาอ้างเฉยๆว่าเราตรงเขาไม่ตรงมันก็ไม่รู้ว่าใครตรงกันนะ่ แต่ถ้าเราไปเปิดตำราแล้วพระพุทธเจ้าบอกอให้ทำแบบนี้แล้วคนอื่นเขาไม่ทำตามล้วก็ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นแล้วก็สนใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงคนเดียวก็พอคะคำถามจาก y o u t u ู e นะคะจากคุณพารพลพลัสกราบนมัสการขอโอกาสเรียนถามเหตุใดที่ทำให้เกิดเป็นรุกขเทวดาขอรับก็ทำบุญน้อยไงทำบุญไม่มาก ถ้าทำบุญมากก็จะขึ้นไปสู ง, งกว่าลูกเทวดาคำถามจาก YouTube ของคุณวิจัยชัยยงกราบในมัสการหลวงพ่อครับขอกราบเรียนถามครับว่าเทวบุตรมานอาจหมายถึงตัวเราเองด้วยหรือเปล่าครับสาธุครับไม่รู้เหมือนกันนะเทวบุตรมานมีด้วยมีแต่กิเลสสมานที่เคยได้ยิน กิเลสมานก็คือกิเลสในตัวเราที่มาคอยขัดขวางการทำความดีต่างๆของเราเราก็เรียกกิเลสมานพอจะนั่งสมาธิก็ง่วงนอนนี่ก็เรียกกิเลสมาลพอจะนั่งสมาธิก็อยากจะดูหนังนี่ก็เรียกกิเลสมาลแต่เทวมานี่ไม่เคยได้ยินเทวกรมานี่รู้สึกจะไปคนละทิศกันเทพก็มีแต่สิ่งที่ดีมานก็มีแต่สิ่งที่ไม่ดี เทวมานนี่ไม่รู้มาจากไหนใช่ไหมเขาถามเทวมามเทวบุตรมานเจ้าค่ ะ, ะนั่นแหละไม่รู้เือนกันบุตรของเทวดาเนยะเป็นมานนี่นนนไงไม่รู้คำถามต่อไปจาก y o u t u ู e นะคะของคุณสายเอกทางสายเอกขอกราบเรียนถามครับการเจริญปัญญาจะต้องเจริญหรือทำให้เกิด เมื่อทำศีลสมาธิแล้วหรือเวลาใดก็ได้ครับแล้วปัญญานี้ค right. <URE> ิดเรื่องไตรลักษ์เท่านั้นหรือคิดข้อธรรมอย่างอื่นได้ด้วยกลับในมัสการด้วยความนอบน้อมสาโุก็อยู่ที่ว่าเราต้องการจะเอาปัญญาแบบไหนถ้าต้องการข้อธรรมแบบไหนก็คิดเรื่องนั้นแต่ถ้าต้องการไตรลักษ์ก็คิดเรื่องไตรลักษ์ แต่ปัญญาส่วนใหญ่มันก็ตกมารวมกันที่ไตรักทั้งนั้นนะทุกอย่างมันก็จบที่ไตรักต้องเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราจะได้ไม่ไปยุ่งกับมันจะได้ตัดได้จะได้ปล่อยได้เช่เห็นแฟนไม่ใช่เห็นแฟนปนณณิจังทุกขังแน่าตาไปมีแฟนแล้วทุกข์ไม่ให้มีสุขถ้ารู้ว่าทุกข์จะได้ตัดไปอยู่คนเดียวดีกว่า ถ้ายังไปคิดว่าแฟนยังเป็นของเรายังให้ความสุขกับเรายังอยู่กับเราไปเรื่อยๆก็เลิกก็ตัดแฟนไม่ได้เห็นต้องมองให้เห็นตายราะว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันเวลาจากกันความทุกข์ก็ตามมาไปห้ามไม่ให้เขาจากก็ไม่ได้เขาเป็นอนัตตาให้คิดอย่างนี้จะได้ไม่หลงจะได้ไม่ไปมีแฟนมีแล้วมันทุกข์ คำถามจากเฟซบุ๊กนะคะจากคุณยันยานกราบในมัสการพระอาจารย์ค่ะคือมีความสงสัยมานานว่าห้องคอนโดมีพื้นที่จำกัดและมีโต๊ะสำหรับสวดมนต์จะบาปไหมคะถ้าแต่งตัวไม่เรียบร้อยหลังออกจากห้องน้ำก็แต่งให้มันเรียบร้อยกอไม่ถึงอยู่ออกมาแล้วไม่เรียบร้อยต่อหน้าพระพุทธรูปเหรอ เจ้าค่าอะอพราะทรุท่านไม่มองไม่เห็นหรอกท่ <laughs> าไม่มีตาตาท่านแบบเป็นตาบอด <laughs> งั้นถ้าอยู่ในที่ของเราไม่เป็นไรหรอกแต่ก็ควรที่จะรู้จักความสมความเหมาะสมก็ควรที่จะคิดว่าเรายังอยู่ต่อหน้าพระก็แล้นเราจะได้ ระมัดระวังออกจากห้องน้ําเหมือนเราไปห้องน้ําที่ข้างนอกบ้านนี่เราจะออกมาโป้หรือเปล่าก่อนจะออกจากห้องน้ําเราก็ต้องสํารวจ ด, ดู ว, ว่าเราเรียบร้อยหรือเปล่ากันอยู่ในบ้านก็คิดว่าเหมือนกับอยู่นอกบ้านก็แล้วกันว่าเวลาอยู่ในห้องน้ําก็อยู่แบบหนึ่งเวลาออกจากห้องน้ําก็ต้องอยู่อีกแบบหนึ่งมันดีจะได้มีสติด้วยทําอะไรจะได้มีความระมัดระวังะ ถ้ามีพระพุทธรูปอยู่หน้าห้องน้ำออกมาพระพุทธรูปเห็นเราโป๊อี้างน้วก็ไม่ได้แล้วต้องมีผ้ามีอะไรคลุมไว้ท่านหน่อยคําำถามจาก y o u t u ู e นะคะเป็นคำถามของคุณวร น, นันถามว่าในระหว่างการทำงานสามารถเปิดฟังเทศธรรมะได้ไหมค ะ, ะแล้วแต่บริษัทก็ใช่เปิดหรือเปล่า เดี๋ยวทางานเปิดธรรมะไปเดี๋ยวงานเสียคือการทำอะไรไม่ควรทำสองอย่างพร้อมกันมันจะไม่ได้ประสิทธิภาพที่สมบูรณ์ทำงานก็ให้มีสติอยู่กับการทำงานดีกว่าถ้าทำงานไปฟังเทศไปมันเดี๋ยวมันแบ่งไปที่ละครึ่งหนึ่งทำงานนิดนึงแล้วไปฟังเทศนิดนึงแล้วกลับมาทำงานกลับไปกลับมาเดี๋ยวดีไม่ดีงานก็เสียได้ฟังทําก็ไม่รู้เรื่องได้ งั้นต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าถ้าจะฟังธรรมก็หาเวลาที่ว่างไม่ต้องทำอะไรแล้วก็นั่งฟังไปถ้าจะทำงานก็ทำงานไปเพียงอย่างเดียวดีกว่าคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามจ้าขอโอกาสครับมีคนถามผมเรื่องจิตเดิมจิตแท้คืออะไรผมบอกเขาว่าจิตเดิมแท้คือกิเลส ผมไม่รู้ว่าถูกหรือผิดครับพระอาจารย์ขอคำแนะนำพระอาจารย์ด้วยครับกราบนามัสการครับจิตเดิมก็คือจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งจิตที่มีการปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งคิดไปเป็นอะไรต่างๆนา่นนะแต่พอหยุดความคิดปรุงแต่งก็เหลือแต่ว่าสักแต่ว่ารู้จิตเดิมก็คือจิตที่อยู่ในสมาธินี่เรียกว่าจิตเดิม เหแต่สักแต่ว่ารู้ผู้เบิกขาเป็นจิตเดิมแต่พอออกจากสมาธิมนก็มาปรุงแต่งบงว่าฉันเป็นนายกรนางขอมีธุรกิจมีเงินพันล้านหมื่นล้านอันนี้ก็กลายเป็นจิตปรุงแต่งไปจิตปรุงแต่งก็เป็นจิตปลอมเราปรุงแต่งหลอกตัวเราเองวันนี้เราเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นอย่าง เดี๋ยววันนี้เป็นโสดเดี๋ยวพรุ่งนี้มีแฟนก็เป็นคู่ขึ้นมาอีกไงจิตเราก็เปลี่ยนไปตามการตรุงแต่งไปเรื่อ ย, อยแต่จิตเดิมนี้มันไม่เปลี่ยนนงถ้าทำใจให้สงบหยุดความคิดปรุงแต่งมันก็จะเหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่สักแต่ว่าเรานั่นแหละคือจิตเดิม คำถามจากคุณขุนศึกรถซิ่งบางแคแกรบนมัสการท่านพระอาจารย์ขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ขอรับเนื่องด้วยป้าญาติธรรมได้ข่าวมาว่าทางวัดจะมีการอุปสมบทมูเพื่อถวายเป็นราชกุศลของให้ราชการที่สิบสิบห้าวันแล้วให้พระบวชใหม่ไปประจําต่างจังหวัดกระผมจึงมาขอคำชี้แนะพระอาจารย์ขอรับ วันไหน ว, วันนี้เลยไม่ได้ระบุเจ้าค่ะขอคําชี้แนะว่าอย่างไงไม่ได้ระบุเจ้าค่ะเราจะให้ชี้แนะอย่างไงจะบวช ด, ดีไม่บวช ด, ดีเหรอนี่ยังไงบวชมันดีทั้งนั้นนะ่ะแต่จะให้มันดีจริงต้องบวชไม่สึกถ้าบวชแล้วสึกก็อย่าไปบวชให้เสียเวลา เสียเงินเสียทองไปอยู่ทําจาศีลสิบห้าวันก็เหมือนกันแหละไม่ต้องไปเสียเวลาเข้าโบวถไปซื้ออัถบริขานอะไรมาใช้ไปแค่สิบห้าวันก็ทิ้งละโซ่ไปนุ่งขาวห่มขาวอยู่วัดสิบห้าวันถือศีลแปดปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามันก็เหมือนกับโบวถดีๆนี่ คำถามจากบนเขานะคะที่เกี่ยวกับวางรูปเราสามารถวางรูปบิดาที่เสียชีวิตไปแล้วคู่กับรูปมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อกราบไหว้และระลึกถึงได้ใหม่คะก็รูปมันไม่ได้เสียชีวิตเนี่ยรูปมันก็ยังเป็นรูปถ่ายตอนที่มีชีวิตอยู่ใช่ไหมก็แล้วแต่เราเราจะวางคู่ก็ได้ไม่วางคู่ก็ได้มันอยู่ที่เรา ถ้าเราเคารพพ่อเคารพแม่ก็ไม่สนใจว่าท่านจะอยู่จะตายล้วก็กราบท่านได้รูปท่านจะเป็นรูปตอนเป็นหรือรูปตอนตายมันก็เป็นรูปเพื่อให้เรารำลึกถึงท่านเท่านั้นเองไม่มีความเสียหายอย่างใดจะวางไว้คู่กันก็ได้ไม่คู่กันก็ได้แล้วแต่ความรู้สึกของเรา คำถามจากเฟ e บุ๊ k นะคะจากคุณนรงชัยกราบนมัสการครับพระอาจารย์ขอกราบเรียนถามว่ากิเลสความอยากผุดขึ้นมาเรื่อยทำให้หายไปจากใจที่เรียกว่าปัญญาฆ่ากิเลสได้อย่างไรครับก็เวลาอยากสูบบุหรีก็ใช้ปัญญาว่าสูบแล้วทุกนะสูบแล้วติดเวลาไม่มีสูบก็จะทุกเนะี่ยพอเห็นว่ามันทุก มันก็ไม่เสพไม่สูบดีกว่าพอไม่สูบต่อไปมันก็เลิกสูบบุหรีได้เนี่ยใช้ปัญญาต้องเห็นว่าการทำตามความอยากแล้วจะต้องเจอความทุกข์เพราะมันจะต้องมีวันที่ไม่สามารถทาแล้วอยากเราจะทำได้ตามสิ่งตามใจเราพอไม่มีบุหรีสูบมันก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเห็นหมถ้าไม่สูบแท้ไม่ติดแท้มันก็ไม่ทุกข์มีบุหรีหรือไม่มีบุหรีก็ไม่ทุกข์ ดงนั้นต้องเลิกความอยากสูรบุหรีทุกครั้งที่อยากจะสูรบุหรีก็ใช้ปัญญาสอนว่าเป็นทุกข์อยาอยากอยา ก, อยากไปสูบพอเราไม่ไปสูบ ต, ต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปมันจะไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไปคำถามจากคุณกุลาบเอ็ดเวิร์ดขอกราบสอบถามเจ้าค่ะว่าพระพุทธเจ้าท่านกโกรธและโมโหเป็นไหมเจ้าคะ แล้วท่านทําอย่างไรถึงจะไม่โกรธไม่โมโหเจ้าคะ่ะกราบสาธุเจ้าคะ่ะ อ, อ๋เพระพุทธเจ้าท่านดับกิเลสได้ดับความโกรธได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี mm ่ย hmm. กาอยากจะดับความโกรธไทยจะทําลายความโกรธในใจก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วต่อไปใจก็จะไม่มีความโกรธไม่มีความโมโหมคําถามจากคุณจิตสุข กราบนามัสการพระอาจารย์สิทธิกราบขอการถามปัญหาในการภาวนาดังนี้ครับเวลาเรานั่งสมาธิกําหนดจิตอยู่กับลมหายใจสักพักลมหายใจ เ, เบาลงนานๆหายใจสักครั้งแต่ลมยังไม่ขาดผมใช้วิธีกําหนดความนิ่งไม่ให้ตาหรือส่วนใดของร่างกายเคลื่อนไหวแต่ลมก็หายไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาใหม่ผมควรทําอย่างไรต่อไปดีครับ ถ้ า, าจะขาถ้าผมกำหนดความนิ่งของตากับร่างกายแล้วเฝ้าดูลมหายใจไปเรื่อยๆจะถูกต้องหรือไม่ครับให้ดูอย่างเดียวดูลมได้ก็ดูลมไปพอไม่มีลมดูก็ดูดูว่าคิดหรือไม่คิดถ้าคิดก็หยุดคิดเท่านั้นเองแล้วเขาเพิ่มมานะคะว่า ลมหายใจจะขาดหรือไม่กราบนมัสการด้วยความเคารพอ๋อไม่ไม่ขาดหรอกไม่ไม่ตายจากการนั่งสมาธิเรานั่งไม่ตายจากการดูลมลมมันก็มันก็ห่างไปหน่อยแล้วมันก็เบาลงไปแต่มันไม่ตายหรอกไม่ต้องกลัวเจ้าค่ะคําถามหมดแล้วเจ้าค่ะหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามไหมเวลานั่งสมาธินี่ย ดูลมไปลมก็จะเบาลงเบาลงเพราะร่างกายเพราะจิตไม่ได้คิดปรุงแต่งจิตเบาจิตสงบลงร่างกายก็เลยทำงานน้อยลงน้อยลงเหมือนรถยนต์เนี่ยเวลาวิ่งกับเวลาไม่ได้วิ่งเนี่ยเครื่องยนต์มันจะทำงานช้าเร็วต่างกันใจร่างกายก็เหมือนกัน เวลาใจไม่ไม่คิดไม่ปรุงแต่งใจเข้าสู่ความสงบการทำงานของร่างกายการหายใจของลมก็จะเบาลงเบาลงไปแต่มันไม่หยุดหายใจหรอกเพียงแต่ว่ามันนานๆอาจจะหายใจสักครั้งหนึ่งก็ได้เนี่เราไม่ต้องไปสนใจถ้าไม่มีลมให้ดูเราก็ดูความคิดว่าเราคิดอะไรหรือเปล่าถ้าคิดว่าเราจะตายหรือเปล่าลม ไม่มีก็หยุดคิดเสียอย่าไปคิดให้รู้เฉยๆให้รู้อยู่กับความว่างว่าตอนนี้ไม่มีอะไรให้เราคิดไม่มีอะไรให้เราดูก็ให้รู้เฉยๆไปเดี๋ยวถ้ารู้เฉยๆเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบมันก็จะวุบลงไปแล้วก็นิ่งสบายไม่ต้องกังวลนให้ดูไปไม่มีลมดูก็ดูความว่างดูความคิดไปถ้าคิดก็หยุดมันด้วยสติ แล้วก็ให้อยู่กับความว่างไปเดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบต่อไปคำถามจากคุณนรงชัยนะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเมื่อนั่งสมาธิจนจิตสงบจิตสงบนิ่งกายนิ่งเงียบไม่มีลมหายใจจิตเบาสบายไม่คิดอะไรถึงขั้นนี้จะทำอย่างไรต่อไปครับ ให้มันนิ่งนานๆนิ่งไปนานๆถ้ามันสบายแล้วถ้ามันสบายจริงแล้วมันไม่อยากจะทําอะไรเพราะมันสุขแล้วเกินเอสุขจนไม่รู้จะไปทําอะไรทําไมอยู่กับความสุขนี้ไปแสดงว่ายังไม่สุขเต็มที่ก็นั่งต่อไปให้มันนิ่งให้เต็มที่เ่อมันนิ่งเต็มที่แล้วมันก็จะไม่อยากจะไปลุกไปทําอะไรมันก็อยากจะอยู่เฉยๆอย่างนั้นไปนานๆเอง จนกว่ามันจะถอนออกมาแล้วมันก็ถึงจะค่อยลุกออกไปทำอะไรต่อคําถามจากคุณยีนนะคะพระโสดาบันคืออะไรครับก็พระอริยบุคคลมีอยู่สี่ขั้นพระโสดาบันเป็นขั้นที่หนึ่งถ้าเปรียบเทียบเรียนหนังสือก็เป็นระดับปริญญาตรีผู้ที่เรียนจบปริญญาตรี ทางศาสนาพุทธก็เรียกว่าโสดาบันปริญญาโทก็เรียกว่าสกิฎาคามีปริญญาเอกก็นาคามีปริญญาเหนือเอกขึ้นไปก็เรียกว่าอารหันต์นก็มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันแบ่งเป็นชื่อแบ่งเป็นขั้นขั้นเหมือนแบ่งปริญญามีความรู้ไม่เท่ากันความรู้ของ พระโสดาบันนี้น้อยกว่าความรู้ของพระสกิดาคาพระสกิดาคาก็น้อยกว่าพระอน า, าคาพระอน า, าคาก็น้อยกว่าพาาระอรหันต์คำถามจากคุณภัยหลิวชัยสีแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์หมายถึงอะไรคะก็ธรรมบทต่างๆมีอยู่แปดสี่แปดหมื่นสี่พันบทที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเท เทศนาหนึ่งกันก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งบทเนี่ยเทนธรรมจักกับวัฒนสูตรก็เป็นหนึ่งบทสติปัฏฐานสูตรก็เป็นอีกหนึ่งบทเนี่ยนี่เป็นบทต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้เขาก็มารวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกมีทั้งหมดแปดหมืนสี่พันบทเหมือนหนังสือที่เราอ่านกันะหนังสือที่เราอ่านมันเขาก็จะแบ่งเป็นบทบทบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามไป พระไตรปิฎกก็มีแปดหมื่นสี่พันบทด้วยกันคำถามจากคุณเจ้ากราบเรียนถามพระอาจารย์ครับขณะนั่งภาวนาดูลมหายใจเข้าออกในบางขณะลมเข้าจะเข้ามาสั้นมากแต่ลมออกจะยาวมากแต่ไม่ได้บังคับให้หยุดออกเป็นเช่นนี้นานมากไม่ทราบว่า ควรบังคับให้ลมหายใจเข้าออกเท่ากันหรือไม่ครับกราบสาธุอ๋อไม่ต้องหรอกมัน่อยมันตามธรรมชาติของมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้ามันเข้าสั้นออกยาวมันจะเอาอะไรมาออกยาวมันเข้าสั้นมันก็ต้องออกสั้นมันเข้าไปห้าสิบมันก็ออกห้าสิบไม่ใช่ข้าห้าสิบแล้วออกมาร้อยหนึ่งได้ไงใช่ไหมมันก็มันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องการจะควบคุมบังคับลม เราต้องการควบคุมบังคับใจไม่ให้ไปคิดวิธีไม่คิดก็ให้มันคอยเฝ้าดูลมไปเท่านั้นเองลมจะสั้นจะยาวจะเข้าสั้นน อ, อกยาวก็เรื่องของมันไม่ต้องไปทําอะไรคําถามจากคุณเพชรน้ำหนึ่งพระอรหันต์ดับความคิดปรุงแต่งได้อย่างไรแตกต่างกับปะทุชนอย่างไรครับปัถุชนไม่ใช่ปัทุชน ปุตตชฌ น, นี้ควบคุมความคิดของตนเองไม่ได้คิดไปทางโลภโกรธหลงแต่พระอาหารหันต์นี้ควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปทางความโลภโกรธหลงได้เท่านั้นเองเหมือนคนขับรถเป็นกับคนขับรถไม่เป็นะคนขับรถเป็นก็ควบคุมให้มันอยู่บนถนนได้จอดตามสี่แากไฟแดงได้คนขับไม่เป็นเดี๋ยวก็ลงคลองบ้างเดี๋ยวแหกโค้งบ้างเดี๋ยวก็ฝ่าไฟแดงบ้างเนี่ยต่างกันตรงนั้น คำถามสุดท้ายแล้วนะเจ้าค่ะคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนั่งสมาธิลมหายใจวูบวูบไปกับเจองูตัวใหญ่อยู่ต่อหน้าตลอดเลยค่ะจะทำอย่างไรดีคะก็รู้เฉยเฉยไปเวลาจิต ว, วูบก็รู้ว่ามัน ว, วูบไปเวลาเห็นอะไรก็เฉยเฉยไปไม่ต้องไปมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เห็นเดี๋ยวมันก็จะหายไปเอง